อธิษฐานแล้วก็ศึกษา โอเค ได้เจอได้สอนกันแล้วก็อยู่ตรงนั้นต่อกันเลยนะนะอีกสามเดือนนะก็คงอยู่แบบก็คงอยู่กันแบบไม่เียนะก็สอนกันแต่เดวพาะัรรจารวกีแต่จริงก็ไม่ได้สอนอะไรมากหรอกเพราะว่าพอพระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งนะแสดงอทิัตย์ปริยายสูตรบรอจารวคีทั้งหมดก็รู้เป็นพระอาหาร์เลย ก็คือแสดงธรรมั้างที่สองนะั้างแรกก็เนี่ยแหละทรมาจากตัววัฒนสูตรอัญญาโกธัญญาด้วยรู้ก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยๆทยอยรู้นะมาถึงว่าท่านก็ได้จดจำเนะีสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนแต่ก็อาศัยเวลานะนะถัดกันรู้ไปคนละ ว, วันสองวันไปเรื่อยเป็นพกทั้งห้าลูก ก็ใส่เวลาในการคลายๆไ ด, ได้ได้ดูนะดูสภาวว่าตามที่พระอาจารย์ท่านสอนส่วนการแสดงธรรมครั้งที่สองท่านสอนเรื่องอายตนะทั้งหลายเนี่ยเป็นของร้อนของร้อนเนี่ยเพราะว่าก็ไม่ใช่จำผินนะท่านสอนแล้วอ น, นันต ไดรับนับตรวจนะเรื่องของความเร่งสิ่งทั้งหลายทั้งวงมนะันไม่ใช่ตัวตนนะเดี๋ยวรบวันะจะไปผ่าตรวจ น, นะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรนะเมื่อมันเป็นทุกข์เราพวรที่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่นะิโสก็ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันก็เป็นัวยึดมั่นถือมั่นนี่คือเราเห็นตัวนี้แหละนะเห็นแต่รักเนะก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นปฏิบัติทำจริงๆก็ดูลงไปดูกายดูใจนะดูให้เห็นความไม่เที่ยงที่มันอยู่ในกายในใจดูให้เห็นความเป็นทุกข์ที่มันอยู่ในกายในใจดูให้เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ เป็นเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันนะในเรื่องของกายผลแช่นั่นแหละนะคือเรียกว่าปฏิบัติถูกทางนะเราจะดูว่าเราปฏิบัติมาถูกทางไหมเนะี่ยถ้าเราดูแล้วเห็นความไม่เที่ยงเนะี่ยถ้าเราเออยอมรับความไม่เที่ยงได้เนะี่ยแปลว่าเราถูกทางแนละ้วแต่ถ้าบางทีจิตมันคิดเนะี่ยอยากให้อันนี้มันเที่ยงเนชะ่นความสุขอยากให้มันเที่ยงนะ กำลภาวนาดีๆอยากให้อารมณ์นี้มันเที่ยว น, นี้ยเราเราหลงละนะเพราะที่จริงความจริงคือมันม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับดับไปเรื่อยๆนะนะแล้วที่จริงทุกอารมณ์มันตั้งอยู่ในความเป็นทุกข์ทุกข์กคือมันทนอยู่ในอาการเดินไม่ได้ทุกสิ่งทุกอยากอยู่ในอาการเดินไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง มันต้องเกิดดับเนี่ยคือมันเป็นทุกขนะ์ถ้าเราอยากจะให้สุขมันอยู่นานๆนะอยากจะให้ทุกข์มันหายไปเนะนะี่ยนต่เราไม่เข้าใจความเป็นทุกข์ของมันะ่ะทุกสรรพสัตมันก็เป็นแบบนี้นะมันเกิดตามเหตุตามปจนะัจจัยนไม่ใช่เกิดตามใจเราต้องการน ะ, นะทุกอย่างนะมันเป็นไปนตามเหตุตามปจนะัจจัยถ้าจะว่าไปจริงก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะ่ยมันก็ถูกของมันอยู่แล้วนะผูกตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราก็เพียงแค่แค่รู้ทันมันเฉยๆนะพอเรารู้เท่าทันมันนะนะมันก็คือการสร้างเหตุสู่ควา ม, มทุกขนะ์การรู้เฉยๆนะี่คือเหตุของควา ม, มทุกข์นะคือเราได้เจริญอริยมรรคแล้วนะเราได้เดินทางมรรคแล้วนะรู้ แล้วก็วางนะทีละขณะนะความรู้สึกตัวก็ดีหรือสิ่งที่ถูกความรู้สึกตัวเขาไปรู้ก็ดีนะทุกอย่าง ก, ก็เป็นสภาวะเช่นเดียวกันก็คือว่ามันก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกขังมันก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกันนะเรียกว่ามันก็ยังเป็นความรู้สึกตัวมันก็ยังเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะ รู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกตัวตัวเนี้จะรู้ทั้งวันทั้งคืนรู้เป็นชั่วโมงไม่ใช่รู้สึกตัวก็เพียงแค่รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็วางเราอย่าไปประคองความรู้สึกตัวบางทีความรู้สึกตัวประคองไม่ได้นะมันรู้ได้แล้วก็ทิ้งนะถ้าเรารู้แบบนี้มันจะเป็นรู้แบบมีสตินะ แต่ถ้าเราไปจ้องมันมากไปมันจะเป็นเหมือนเราเอาไปกำหนดสมาธิในการดูหรือนะแม้แต่ไปตั้งใจรอดูอารมณ์ต่างๆรนะอดูร่างกายเขาเดินรอดูร่างกายเขาเคลื่อนไหวรอดูเสนอจิตใจมานจะคิดนะการไปคอยดูกาไปจ้องดนะนะูมันก็ไม่ใช่ตัวสติกจริงๆแล้วนะมันเหมือนเราเอา เราออกสมาธิไปตั้งใจที่จะไปดูนะมันไม่ใช่ตัวสตินะแต่สติจริงเนะี่ยมันรู้ทันทีนะเคื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะเคื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บรู้พร้องกันนะหรือใจใจคิดนะแปบ๊บหนึ่งรู้ทันทันทีเลยนไะอ้ตัวสตินะ่ะมันจะเหมือนมันก็เลยเหมือนเป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นภาระอะไรนะเพราะว่า เราไม่ต้องไปคอยดูก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปคอยรักษามันแค่รู้ลงที่ปัจจุบันนะแล้วก็จบลงที่ปัจจุบันแล้วก็รู้ใหม่ไปทีละครั้งนะเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าหายใจเป็นแบบธรรมชาติธรรมดาเนะี่ยมันจะไม่เป็นภาระนะมันก็เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติธรรมดานะ แต่ถ้าเราไปกำหนดลมหายใจให้มันเป็นอย่างที่ใจต้องการนะมันจะเป็นภาระและมันจะเหนื่อยเมื่อเราเดินก็เหมือนกันถ้า เ, าเดินตามจังหวัดธรรมดาพอดีดีของเราเองนะมันจะเดินได้เรื่อยๆไม่ค่อยเหนื่อยแต่ถ้าเราเร่งจังหวัดตามคนอื่นหรือเราเดินช้าๆเพื่อรอคนอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มเหนื่อยมากขึ้น แต่ถ้าเราเดินในจังหวะของเราเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไใดแต่ในจังหวะชีวิตนะบางทีความเร็วความช้าของเราบางทีมันก็เนื่องด้วยผู้อื่นอยู่นะแต่ก็เราก็ปรับใจออกปรับใจปรับใจให้มันรู้สึกบางทีเดินเร็วพอเร่งรีบบางอย่างแต่ก็ขอให้ใจมันไม่รีบตามมาก เรารีบบางทีเรารีบตามตามเหตุตามปัจจัยเนาะอย่างบางคนอย่างพวกเราบางคนเป็นหมอนะบางทีมีเคสอาการหนักๆนรงพยาบาลตามและนะ้ะจะเดินเอื่อยๆไปเนี่เดี๋ยวคนไข้เขาก็หวัวใจวายตายตันะหรือพยาบาลเขาก็แบบกระวลกระวายเกินไปนะก็เดินรีบๆนะเดินเร็วเร่งๆก็ได้นะ แต่ใจเรานะก็่อให้นะอย่าร้อนมากนะอย่าเพิ่งไปคิดนะร่วงหน้ามากนะก็รู้ละ ว, ว่าเคสนี้เป็นแบบไหนนะก็ต้องเร่งตัวเองไปให้เร็วหน่อยนะแต่ใจเราให้รักษาความสงบไว้ให้รักษาความเย็นไว้เพื่อการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาในเคสต่างๆก็จะได้เรียกว่าไม่ถูกความร้อนของใจนะทาให แต่ใจผิดพลาดนะบางทีร่างกายเรารีบได้นะแต่ใจเราอย่าร้อนตานะบางครั้งร่างกายเราอาจจะช้านะก็ะต้องรอใครนะหรือต้องรออะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะช้าได้นะแต่ก็อย่าให้ใจเราเอื่อยตามนะบางทีเราอาจจะเดินช้าๆหรือทำอะไรช้าๆบางทีเราอาจจะกําหนดสติส่วนอื่นไ ป, ไปเสริมก็ได้นะ บางทีก็กำมือแบมือคืงนิ้วน่ะหรือบางทีก็ดูลมหายใจแทบไปบ้างก็ได้นะบางทีการเดินช้ามันก็ทําให้เราเห็นเนื้ออวบทวะอื่นๆแทกเข้ามาได้เหมือนกันหรือบางครั้งอบางครั้งเวลาปฏิบัตินบางทีความคุ้งซ่านมันเกิดบ่อยนะหรือว่ามันติดอารมณ์ไปสักอย่างหนึ่งนะ แว็บต้อมาคิดบ่อยเรื่อยแต่เกินนะถ้าถ้าเราดูเฉยๆได้เราก็ดูมันนะแต่ถ้าบางทีดูแล้วมันไม่ค่อยเฉยติตใจหนุดหงิดหรือว่าสติมันไม่ค่อยเกิดเลยนะบางทีเราก็อาศัยกําหนดอกําหนดสติในฐานอื่นมาเสริมด้วยนะเช่น บ, บางทีเราอาจจะเดินจงกรมนะแต่ตอนนั้นก็อาจจะแบบคล้าย ทำนิ้วนะขึงไปขึงมาหรือว่ากำแบบางทีเพื่อเสริมก็ได้บางทีสติถ้าเดินเฉยๆมันธรรมดา ม, มันมักหลุดนะส่วนไปกับความคลุ้งซ่าบางทีเราก็อาศัยนะ่นขะึงนิ้วบีบมืออะไรนะั่นเพิ่มสติ ก, ก็ไปแทรกในะแต่ละขณะก็ได้นะหรือบางทีพอจังหวะที่เราหยุดนะกลับตัวแล้วก็หยุดนะ เราก็จะยืนสักหน่อยบางทีก็ตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกนิดนึงพื่อเรียสติกลับมาก่อนก็ได้บางทีไอ้ตัวนี้นะบางทีก็เป็นอุบายเวลาเรากำหนดสติเพิ่มนะจากฐานอื่นมันก็เป็นอุบายทําให้คล้ายๆเหมือนเป็นอุบายเพื่อการตั้งระดับเนาะแต่พอตั้งระดับได้แล้วก็นะก็ลองทิ้งนะทิ้งนี่ ตัวเสริมนะเอาแต่ตัวที่รู้สึกตัวล้วนในอีอริเบทดหลักก็ได้นะแต่พอถ้าเราทําไปเรื่อยนะสติมันก็จะพัฒนาไปพัฒนาไปนะจากสติที่รู้ตัวแบบหยบยาบๆในอิริเบทดหลักๆนะต่อไปสติมันก็จะพัฒนาไปในรู้อิริบทย่อยนะที่ไม่ต้องกําหนดนะแต่มันรู้ของมันเองบางทีก็เดินไป ลมหายใจก็รู้ระดับสเตฟ้าแต่ไม่ใค่ว่าทุกครั้งนะมันก็เป็นเรื่องของสติที่มันเข้าไปรู้ของมันเองบาทีก็เกิดอย่างอื่นแทรกนะลมกระทบมันก็รู้ได้กระทิตาก็รู้ได้เกินน้าลายก็รู้ได้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจิตปกติที่กายส่วนใดมันก็รู้ได้ แต่ดูแบบไม่ต้องไปคล้ายๆไม่ได้ต้องไปพิจรารณามันเพิ่มนะมันไม่ใช่ดูแล้วเราไปสงสัยนะบางคนไปรู้สึกเอ๊ะทำไมรู้สึกนะในฝนมันพองนะทำไมหัวใจมันเต้นเป็นแบบนี้นั่นนี่นะบางทีเราดูเฉยๆยังไม่ต้องไปไปหาเอาความสงสัยนะมา มาพิจรารณาอะไรนั่นนี่มากมายก็ก็แค่ดูมันมนแสดงอะไรก็ดูมันไปเรื่อยๆถ้ามันผิดปกติมากจริงอ่ะมันจะรู้ของมันเองแหละนะแต่ถ้ามันแบบแค่เอออันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แล้วก็มารู้นะมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสงสัยบ้างแต่ก็พยายามดูไปเรื่อยๆให้ใจเป็นกามกับมันมากขึ้น สงสัยก็รู้มาสงสัยความสงสัยก็ยจะตกไปมันก็จะเหลือแค่ความรู้เฉยแต่ถ้าเรารู้แล้วก็สงสัยไปคิด น, นั่นนี่ไม่เป็นอะไรนั่นนี่นะมันก็มันก็คือเป็นวิธีมันเป็นรูปแบบของการหลงอีกแบบหนึ่งอันนี้แหละมันก็เว่ า, เาปฏิบัตินะให้เราเนี่ยดูสติมันก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะ เป็นสติที่เกิดเป็นอัตโนมัติของมันเองนะนะเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนะมันก็จะเข้าไปรู้นะรู้อีกบทย่อยเข้าไปด้วยหรือเวลาเราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบนะสติก็จะเข้าไปรู้ในการทํางานนะตา่างๆได้ง่ายขึ้นได้บ่อยขึ้นนะนะแล้วต่อไปสติมันก็จะเข้าไปเห็นนะ เห็นอารมณ์เห็นความคิดนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูนะความคิดมันแทะอารมณ์มันแทะขึ้นมาสติก็จะเข้าไปเห็นนะเห็นนะไม่ได้ตั้งใจที่จะดูนะเวลาดูจิตดูความคิดเนะออย่าไปคอยดูอย่าไปค้นหาดูนะอย่าไปเพ่งจ้องดนะูไปก่อนนะผมก็ไม่เข้าใจดูจิตดูด ความคิดดูแบบไหนนะพยายามไปคล้ายๆไปหาความจิตใจมันอยู่ตรงไหนนาะความคิดอยู่ตรงไหนนาะตอนนี้ถ้ารมณ์อยู่ตรงไหนเนานะเป็นอะไรเนะี่ยไปพยายามแบบไปหาออนะืไปคอยดูนะี่ประมาณว่าเอาจิตไปหาจิตนะมันก็หายเพไราะใดไม่เจอเนะีนะ่อประมาณว่าเนะี่ยเราจิตมันจะไปหาจิตแบบนั้นมันไม่เจอนะ ต่อเมื่อจิตเห็นจิตนะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจิตเห็นจิตนจิตเมื่อกี้มันคิดมีจิตนที่รู้นมาเห็นจิตเนี่ยอันนี้คือมักอันนี้คือคือสตัวสติให้จิตมันเห็นจิตของมันเองนะไม่ใช่เอาจิตไปหาจิตไม่ใช่เอาจิตไปหาดูความคิดต่างๆแนะสําคัญมากนะเวลาปฏิบัติธรรม ไอ้ที่ว่าดูจิตดูความคิดเนี่ยอย่าไปคอยหาอย่าไปคอยดูนะแค่รู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทํำนะั่นแหละเรื่อยๆนะรู้สึกตัวกับการทําการทํางานรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวต่างๆเนะต่อไปมันจะเข้าไปเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆของเขาเองนะไม่ให้ไปคอยหานะมันจะมันจะพบนะ จะเอกับความคิดแช่เอกับอารมณ์ต่างๆของมันเองเลยน ะ, นะเอลาดังโกรธขึ้นมาแว้บหนึ่งเนะี่ยมันจะรู้สึกตัวได้นะรู้สึกตัวเห็นอารมณ์ที่มันโกรธก็ดีหรือถ้าเราชำนานดูกายก็จะเห็นดนยร่างกายมันผิดปกติไปนะหายใจสั้นๆร่างกายเเครียดนะมันแน่นๆที่หน้าอกอะไรเนะี้ยครือมันร้อนๆขึ้นมาบูดขึ้นมาเนะี่ย มันก็จะเห็นเห็นอาการของกายชัดหรือเห็นอาการของใจชัดเห็นถึงความไม่ปกติของรูปของงานเัาก็จะรู้ของมันเองคือมันจะรู้ถ้าเราเห็นมันตรงๆเห็นมันก็ดีนะมันก็จะตกไปต่อหน้าต่อตาให้เราเห็นเลยว่าอ๋อสติเมื่อมันเห็นกำลังมันพอเนี่ย อารมณ์ต่างๆก็ตกไปต่อหน้าต่ตาให้เราเห็นอ้อนี่แหล ะ, ะมันเกิดขึ้นมามันถูกอิงตายทันทีนะมันเหมือนดับทันทีนะุนี่ร่วงลงไปใี้เห็นต่อหน้าตา่อตาเราก็จะเกิดความแรกๆ ก, ก็เกิดความอัศจรรย์ใจนะแปลใจอารมณ์แบบนี้คืออะไรเนาะแปลกอีแต่รู้สึกว่าใจมันเบาๆใจมันโล่โง โอสบายดีนะแต่มันโดยความสงสัยมันก็มีเยอะแล่วก็แรกนะแต่พอเห็นบ่อยๆเขาใช้บ่อยอ๋ออันนี้คือสภาวะนะธรรมชาตินะที่สติมันเขไปเห็นอารมณ์อารมณ์ต่างๆว่ามันก็ต่อไปนะไม่มีที่ตั้งนะเหมือนเราถืออะไรสักอย่างนะเราแหวมือออกเราคว่ำมือไว้มัน ไ, นะไม่มีที่ตั้ ง, นะ ม, ม, งมันก็ต่อไปอ๋อก็ธรรมดานะ อ๋อทำแบบนี้นี่เองจริงแค่รู้จิตเคยเนะี่ยมันก็คือสะัะดอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วในะจิตใจนะอันเนี้ยเราก็ทํำอันนี้นะเราก็จะค่อยๆเห็นไปเลยอ๋เห็นนะไฟจะเห็นจิตมันหลงว่องอีกบ่อยแต่ละวันเนี่ยมันหลงบ่อยมากไม่เคยรู้นะไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลงบ่อยขนาดนี้นะที่จริงมันหลงบ่อยแต่เราไม่รู้ตัวอะ แต่พอวาวนานไปแล้วมันหลงบ่อยหลงบ่อยหลงบ่อยส่วนใหญ่บางทีก็ลงไปในทางทางเอาสุดผลน้าแหละนะ แ, แรกๆก็อาจจะแบบไม่พอใจรู้สึกแบบทำไมเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี่คิดไม่ดีนะเอาสุดผลเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็อิดช้าเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็อยากได้นั่นได้นี่นะ เดี๋ยวก็หลงแวะไปดูนั่นดูนี่เดี๋ยวก็หลงไปอยากไปฟังนั่นฟังนี่นะมันจะเห็นเลยว่าความหลงมันเกิดบ่อยมากเห็นโดยเฉพาะอากัลสันเกิดขึ้นบ่อยมากแรกๆอาจจะรู้สึกตัวไม่ดีกับตัวเองนะแต่จริงเพราะเราไม่เห็นว่าอรู้ไม่ทั่นว่าที่จริงความคิดหรืออากัลสัทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่พราะเรายังมีความ รู้สึกว่าจิตใจนะหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือตัวเรานะเราคิดไม่ดนะีเรารู้สึกไม่ดีเราโกรธเรานั่นเรานี่นะ้แต่ถ้าเราดูจเฉยๆนะมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดดูเฉยๆมันก็เป็นเพียงแค่อารมณนะ์เมื่ออารมณ์มันถูกเห็นนะมันจะเห็นเลยว่ามันบอกมันจะบอกเลยว่าเออเออมันไม่ใช่ตัวเราสินะ มันก็เป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึง่งเป็นเพียงแค่อาการอถ้าเราดูเฉยๆเนะี่ยเราจะไม่หลงไปยึดแต่ถ้าเราไม่ดูเฉยๆนะ่อันนี้ดีเรายึดไว้อันนี้ไม่ดี อ, อยากจะผลักใสออกนะ่ยมันก็มันก็เลยต้องเหนื่อยต้ราแบันแบนะแบกสิ่งที่ดีนะอยากจะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนะี่ยมันก็ทุกข์เนะี่ทุกข์แบบคนดีทุกข์แบบคนไม่ดีเหนะยื่อร่างไป แต่จริงถ้าดูเฉยๆนะแล้วก็จบไปดูเหมือนอไม่ได้ให้ค่าไม่ให้ราคาน ะ, ะถ้าจะว่าไปจริงๆนะถ้าสติมันเกิดขึ้นเร็วกว่า น, นั้นอ่ะมันจะไม่ทันเป็นขุนศนไม่ทันเป็นอักุศนอะไรนะมันก็เป็นเพียงแค่อาการแบบแวบๆขึ้นมานะเพราะเราไม่รู้ทันตอนที่นแวบตอนแรกนะนะั่นแหละมันก็เลยปรงเป็นขุศนเป็นอักุศนขึ้นมา กลายเป็นสมมติเรียกว่านั่นเรียกว่านี้ขึ้นมานะกลายเป็นเรื่องราวต่างๆนะที่จริงการดูอารมณ์ดูความคิดเนะี่ยเราไม่ได้ไปดูให้ค่าไอ้ตัวที่มันสมมติเรียกว่าอะไรหรืไปดูเรื่องราวที่มันคิดเนะี่ยไม่ได้เรียกว่าไ ม, ม่ไปดูเรื่องราวของความคิดไม่ได้ไปให้ค่ากับที่ตัวอารมณ์ไปแยกแยะว่าคุศลอกุศลอะไรนะ แต่การดูจริงๆคือดูว่าเมื่อสักครู่เนะจิตมันแอบไปคิดนะจิตมันไปเสวยอารมณ์นดูลงมาตัวที่ตัวจิตนะจิตมันเผลอไปคล้ายมือนะคล้า ย, ม, ายมือมือไปเผลอไปจับสิ่งของอะไรน ะ, นะไม่ได้ไปสําคัญว่ามันไปจับอะไรสําคัญแค่รู้ว่าเราเผลอไปจับนะ เ, เผลอ เผลอเอามือไปจับเนะ่ยอันนี้เรียกแบบเป็นตัวอย่างหเห็นนะตัวสําคัญคือเนี้ยนะตัวที่เราเผลอเอามือไปจับมันนะี่แหละเรารู้ทันแล้วนะแล้วก็ปล่อยที่มือเราอย่าไปสนใจตัวที่อวัตถุที่ไปจับนะว่ามันดีไม่ดีมันเป็นอะไรนะไม่ต้องไปให้ความสำคัญนะแค่รู้ตัวเผลอไปจับนะแค่นั้นแค่รู้ตัวเผลอไปดูแค่รู้ตัวเผล อ, นะนะนะ อ, อไปฟัง แค่รู้ตัวว่าเผลอไปคิดเนี่ยมันจะเห็นแค่นมั น, นมันจะวางได้นะเผลอไปก็เป็นธรรมชาตินะจิตมันไม่ใช่ว่าจาติตกระาตลอดเวลานะเผลอไปก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งพอเรารู้ทันแล้วมันก็กลับมาของมันได้นะเน mm hmm. ี่ยเราก็นะมันจะเห็นอาการทั้งนี้ยเรื่อยๆนะบ่อยๆนะเราต้องอาศัยการสะสมนะอาศัยการสะสม เห็นครั้งแรกเห็นครั้งหนึ่งนะจิตมันจะเรียกว่าจิตมันดื้อ น, นะจิตเขาดื้อจิตเขาไม่ค่อยเข็ดหลาดสักทีนะต้องมาใส่การเห็นบ่อยนะเห็นบ่อยมันถึงจะไค่อยยอมรับมากขึ้นนะปล่อยได้เร็วขึ้นนะแต่ก่อนไม่ค่อยปล่อยนะพอเห็นบ่อยๆมันก็ปล่อยได้เร็วขึ้นนะปล่อยได้ง่ายขึ้นนะ แรกๆมันก็ตัวไม่ค่อยดีมันก็ปล่อยได้เร็วเกิดีๆเนะี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยอยากจะยืดอยากจะประคองรักษาไว้นะเพราะว่ามันยังรู้สึกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอยู่เนะมื่อเราก็ต้องเห็นไในบ่อยนะด้วยใจที่เป็นกลางนะนะแล้วก็ถ้าเราเห็นเร็วขึ้นนะมันไม่ทันจะเป็นกุดสนอะัตเนมันก็ยืดประได้ง่ายเลยนะเห็นเพียงแค่สักแวบนะปรัทินประบ พ, พาย อนะอะไรกไร็ไม่รู้เกิดขึ้นนะไม่ใันจะรู้ว่าเป็นอะไรแต่กระพิมประพายดับดับขึ้นในจิตใจนะมันก็เกิดดับให้เราเห็นนะคำว่าจิตนิ่งจริงๆเนะี่ยมันแทบจะไม่ได้นิ่งตลอดนะนะมันจะนิ่งจริงๆก็ต่อเมื่อเราเข้าสมาธนะิแต่ถ้ามื่ไหร่ที่เดินสติจเจริญสติอยู่เนะีนะ่ยจิตที่มันหลงเนะี่ยมันบ่อยนะ แต่ก็ถ้าเมื่อไหรที่เรากลับมารู้ฐานกายได้บ่อยมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มเพิ่มกําลังสมาธิเหมือนกันนะเพิ่มกําลังสมาธินะถ้าเรารู้สึกที่กายเใชๆไปได้เรื่อยๆเนะี่ยมันก็แต่ไม่ใช่ว่าตลอดนะครับนะไม่ใช่ว่าตลอดแต่ถ้ากําหนดรู้ที่กายได้มากขึ้นนะมันก็จะมีกําลังเพราะว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากนะแต่การไปดูอารมณ์ดูความคิดเนะี่ยมันใช้กาลังเยอะ แต่ก็ไม่ต้องกังวลอะถ้าเราจเจริญสตินะนะตัวจิตตัวสติเขาจะปรับของเขาเองนะบางครั้งมันไปดูความคิดเหนื่อยล้ามากจิตมันก็มันก็จะพักกลับมาดูกายไปเรื่อยนะมันก็จะเติมกำลังเป็นความสงบเป็นความตั้งมั่นของจิตมากขึ้นนะตอนไหนที่มันพอมมันก็ออกไปดูอารมณ์ดูความคิดจเจริญปัญญาต่อคือนะจิตมัน บาทีมันก็เรืองไม่ได้นะว่ามันบางครั้งมันก็มันก็มันก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะแต่มันทำแล้วมันเป็นตัวเน้นตัวสมาธิบาั้งก็ทำเหมือนเดิมทีมันก็เป็นเน้นตัวดูดูอารมณ์ดูความคิดเจริญปัญญาไปแต่จริงมันก็ไม่ได้กิดนะพะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทางที่ควรเจริญก็คือสมาธิแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยแหละนะแต่มันนะ แต่มันอาศัยว่ามันสับไปของมันเองนะตัวสติไมันจะเป็นตัวปรับนะเรียว่าปรับความสมดุลถ้าเมื่อไรที่สมาธิมันน้อยไปนะสติก็จะเป็นตัวปรับให้สมาธิมากขึ้นเมื่อไหรที่สมาธิมันมากไปนะสติก็จะเป็นตัวปรับนะให้สมาธิมันลดลงไปให้มันสมดุลกันเมื่อไหรที่มันเดินปัญญาแล้วมันเหนื่อยนะ เราก็จะกลับมาพักเมื่อไรที่มันทื่อๆไม่ค่อยอยากจะพัฒนาเลยนะสติก็จะเป็นตัวปรับให้มันขยันมีความเพียรมากขึ้นเพราะสติเนี่ย เ, เป็นเป็นธรรมที่ที่วิเศษมากนะใ น, ในการปรับนะปรับอินทรีย์ปรับพระระให้มันสมดุลเรียกว่าปรับการวางใจนะนะ ปรับการวางใจในการดูในการรู้ในการเห็นใ น, ในการรู้สึกต่างๆให้มันพอดีนะมันจะรู้สึกถ้าเราเอาศัยตัวสติเป็นตัวนาหน้าเนะี่ยมันจะปรับของเขาเองนะตอนแรกก็ดูแบบนี้มันแน่นไปนะพอดูไปแล้ว อ, อ๋อมันก็จะค่อยๆหรืออ๋อแน่นเป็นแบบนี้มันก็จะก็เลยปรับกลายเป็นความผ่อนคลายหรือบางทีดูไปมัน ใจลอยมากเกินไปแนะเนาะมันเถือไปบ่อยเกินมันนะมันก็จะปรับความตั้งใจเข้ามาสักหน่อยนะมันก็ปรับของมันเองนะนะเราเราก็ทําหน้าที่ของเราก็แค่นี้ไนดะ้นะคือเราทําเหตนะุทําเหตุกนะ็คือนะี่แหละพยายามเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวจะ อ, อยู่นินะ่งๆเคลื่อนไหวให้เกิดสตินะเคลื่อนไหวเพื่อปลกสติ ง, ง่ายๆนะเคลื่อนไหวเพื่อปลุกสติให้มันรู้ตัวขึ้นมา เมื่อมส ต, ติตื่นตัวในการเคลื่อนไหวแต่สติมันก็จะไปตื่นตัวในการรู้ทันอารมณ์ความคิดของมันเองเนะี่ยเราก็ทําแค่นั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บางทีก็ฉลาดนิดนึงนะ่ะตลาดในการเอาศัยเทคนิคต่างๆนะรองเทคนิคต่างๆนั่นนี่นะเมื่อเกิดสภาวะอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นเวลามันง่วงนอนเวลามันคุ้มคลาน เวลามันเบื่อเวลามันอะไรต่างๆเราจะอาศัยอุบายอาศัยเทคนิคแบบไหนให้เราสติให้มันให้มันเพิ่มขึ้นมาไดนะ้หรือว่าอาศัยว่าจะได้ขาดสติได้น้อยลงเราก็อาศัยอุบายนะอาะไรเทคนิคมาช่วยด้วยนะเนีนกิดสีสิ่งสิ่งสําคัญในการภาวนานะมันมันเป็นประสบการณ์นะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นเหมือนชั่วโมงบิน เราก็อาศัยทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทาเป็นประจำเนาะมันก็จะเป็นเหมือนประสบการณ์ก็จะสอนสติมันก็จะสอนตัวของมันเองเนาะมันที่เราได้ยินได้ฟังว่าครูบาอาจารย์สอนมันก็แค่ส่วนภายนอกแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติให้มันต่อนเนื่องเรื่อยๆเนาะมันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะ เพราะว่าตัวที่รู้จริงๆคือตัวเองสอนตัวเองนี่แหละมันทําไปแล้วออมันเกิดสะพาวแบบนี้มันก็จะรู้มันหลงไปแบบนี้อ่ะมันก็จะรู้เนี่ยมันก็จะสอนตัวเองไปเรื่อยจะทั้งมันรู้สึกอ๋ออออ๋อเป็นแบบนี้นะเหมือนใครเข้าใจขึ้นใน้ส่งของเราเองอ๋อทําแล้วเจอสะพาวันเนี้ยมันอ๋อเป็นแบบนี้นะนี่แหละมันก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนอ๋อเราได้ทําต่อ ได้คำตอบในการปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่ว่าเสร็จจบการปฏิบัตินะคือได้คาตอบได้หลัก so ่าอมันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆอ๋อทําแบบนี้ทําแบบนี้นะทําแบบนี้นะมันก็จะจําได้นะจิตก็จะจําได้อ๋อแบบนี้นะแบบนี้ที่เรียกว่าพอดีนะอ่าหรือบางทีก็อ้อแบบนี้ไม่พอดีนะแบบนี้มันเก่งไปนะแบบนี้มันหลงไปอ่ะมันก็จะอ๋อจิตมันจะจําได้นะ มันจำถ้าคล้ายๆเหมือนคล้ายๆโรแกรมอตติไวรัสมันจำเชื้อไวรัสเชื้อโรคได้นะมันจำได้มันก็จะเข้าไปเล่นงานกับมันมเองหรือร่างกายของเรานาะมันมีภูมิต้านทานนะต่างๆนะมันจำเชื้อโรคได้น่ะเคยเป็นหวัดสายพันธุนี้แล้วนะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมานเชื้อหวัดสายพันธุนี้ขึ้นมาอีกแล้กลับเข้ามาอีกล้นะ ภมทต้านทานก็ไปเรงงานถันที่เพราะมันจำได้ล่ะแต่บางทีมีวัตสัยพันใหม่เข้ามาอภูมิต้านทานยังไม่รู้จักมันก็ถูกเร่งงานก่อนแต่พอมันจำได้แล้ะอ๋อมีภูมิต้านทานละมันก็กลับไปเร่งงานตัวแปลกปลอมที่มันเข้ามาอีกในจิตใจนะอันนี้ก็เหมือนกันจิตนะเราฝึกเรียนรู้ให้จิตเขาจาอารมณ์ได้เมื่อจิตมันจำอารมณ์ได้ ต่อไปทั้งต่อไปมันก็จะเข้าไปรู้ของมันเองนะที่จริงเนี่ยไอตัวที่พ้นทุกนก็คือตัวจิตนะไม่ใช่เราที่ไหนหระเราฝึกจิตให้มีสติมีปัญญานะแล้วจิตเน่ยมันก็จะพาจิตนั่นแหละนะมันพ้นจากความทุกข์ของมันเองเราก็จะเห็ น, หนเนี่ยคือคําสอนพระพุทธเจ้านะนะคือสิ่งที่เรานะ ควตั้งใจเรียนรู้สักหน่อยนะการตั้งใจคํำว่าอธิษฐานนะนะอธิษฐานก็คือความตั้งใจนั่นนะครับนะเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็อธิษฐานสิงนั้นเนาะอาจจะถือโอกาสนะเอาวาระเนะช่วงเข้าภาษานะนะเป็นเรียกว่าเป็นเลิก ง, งามยามดีนะเลิก ง, งานยามดีไม่ใช่ไปดู ด, ดวงดาวนะ เลิกเลิกงามยามดีคือเนี่ยแหละคือขณะที่ตั้งใจดีขณะที่ตั้งใจเนี่ยแหละคือเลิกงามยามดีละเพราะว่าการตั้งใจเนี่ยคือการอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตที่เราจะทำสิ่งใดนะที่ดีๆหรืออธิษฐานจิตที่จะละสิ่งใดที่มันไม่ดี หรือจะอธิษฐานจิตว่าจะตั้งใจทำอะไรให้มันแน่วแนะ่นะถ้าเราเอาอาศัยวันเข้าพรษานะเป็นมันเพื่ออธิษฐานจิตนะที่จะนะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางไหนหรือว่าให้เรามั่นคงยิ่งขึ้นนะในเส้นทางตรงไหนนะก็ขอให้เราได้อธิษฐานเนาะอาศัยพระพุทธรูปนะเป็นตัวแทนของ พอพูดพอทำก็ Build สมเวลาเราเราตั้งจิตปัจจณาสิ่งใดก็ขอให้เราได้อธิษฐานที่จะทําสิ่งนั้นให้มันแน่วแน่ถ้าเราตั้งใจที่จะทําสิ่งใดด้วยความแน่วแน่นักความสําเร็จมันก็ย่อมเกิดขึ้นมาได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่รับสิ่งที่เราปัจจณาถ้าเราไม่ละสิ่งที่เราตั้งใจ ถ้าเราได้ทำในทางที่ถูกแล้วผนละเสด็จมันต้องเกิดแน่นอนเนะหมือนเรากาหนดนะนะเรากาหนดเส้นทางที่เราจะเดินทางนะเช่นเราจะไปกรุงเทพนะเรารู้ล้วว่าเราจะไปกรุงเทพแล้วเราก็เลือกขึ้นรถนะสายเช่นปากช่องกรุงเทพในถูกทันนะนะในขณะที่เดินทางเราก็มีแวะลงลงไปในข้างทางนะไม่ขอลงกอนนะแน่นอนนะ รถก็พาเราไปถึงกรุงเทศแน่นอนจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราตั้งสิ่งที่เราปัฒนาแน่ๆว่าเนะี่ยเราตั้งใจที่จะทำอะไรแนละ้วเราก็อยู่ในการเดินทางนั้นนะไม่ไม่แวะพักหรือว่าไม่หลงนะเวยไปในทางอื่นก่อนนะมันก็ย่อมถึงจุดหมายแน่นอนนะไม่วันไใดก็วันหนึ่ง แต่ถ้าเราอนะืเข้าใจตรงนี้นะเราก็ทําไปเรื่อยๆแต่ที่จริงอย่างถ้าเราปฎิ نه าวความไม่ทุกข์ปฎิเนห า, นะาลนิพพานแต่จริงมันก็สามารถปรากฏได้อยู่ทุกขณะจิตอีู่แล้วนะเอนะเราไม่ต้องรอความไม่ทุกข์ตอนที่เราไปพระอรหรันเราไม่ต้องรอความไม่ทุกข์ตอนที่เราไปถึงนิพพานนะที่จริงความไม่ทุกข์ นะอยู่ทุกขณะจิตก็มีนิพพานอยู่ทุกขณะจิตก็มนะีตอนที่จิตมนุษย์สึกตัวนะมันก็สัมผัสสภาวะพวนั้นได้เรื่อยๆหนระือเราจะปัทนาความสุขในชีวิตเมื่อไรที่เรามีสติมันก็มีความสุขแนละ้วหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขเดินก็มีความสุขกินก็มีความสุขนะ นวัดก็มีความสุขนะสุขเพราะความไม่ทุกขนะ์สุขเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยนะนะมันเป็นความสุขที่ที่แท้จริงนะนะถ้ากินด้วยความสุขตัวนะใจก็สบายอาหารก็อร่อยนะเดินก็เหมือนกันนะเดินด้วยความสุขตัวก็เดินนะใจก็สบายนะร่างกายก็ผ่อนคลายนะ นอนก็เหมือนกันถ้านอนได้ความสุดตัวนะใจก็สบายร่างกายก็ได้พักเต็มที่นะผ่อนคลายเต็มที่นเะนี่ยก็คือนะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะนะฝารถนาสิ่งใดนะจะพูดว่านะฝาดนาสิ่งใดนะก็ให้ทำสิ่งนั้นนะ่ะแหละถ้าทำสิ่งนั้นแล้วนะมันย่อมเกษตรสิ่งที่เราฝาดนาแล้วแน่นอน แต่ถ้าปรารถนาแล้วไม่ได้ทำเนี่ยจะให้สิ่งสัสิทธิ์มาช่วยเนี่ยไม่สบหวางหรอกนะพระเจ้าเองสอนเราสาวบกทั้งรายนยะให้ตั้งจิตอธิษฐานนะไม่ใช่ขอนะอธิษฐานเป็นว่าตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ลงมือทำทำความเพียรวิริยเย น, นะทุกขมตเอติก น, นะคนร่วมทุกได้ก็ความเพียร แล้วเราจะสำเร็จผลได้ด้วยความเพียรที่เราทำนะเพราะว่าความเพียร น, นั้นจะเป็นตัวนำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความวิวุตุิผลเพราะอาศัยเหตุนะแล้ก็เกิดผลเช่นนี้แหละนะกักปรกอให้พวกเราทุกรูปนะทุกคนนะักในอาศัยโอกาสเท่าราษาปีนี้นะตั้งใจจะทำอะไรนะอย่างผมเองก็ ตั้งใจปีนี้ก็คงงานการที่อักโขมก็คงไม่ได้มากมายอะไรนะก็จะได้ตั้งใจนะทำความเรียนในการปฏิบัตินะให้มากขึ้นเหมือนกันในรูปแบบนะ น, นอกรูปแบบแล้วก็พยายามที่จะรู้สึกตัวนะในการทํากิจต่างๆส่วนมีเวลามากขึ้นก็จะได้ปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นด้วยงาน ที่เป็นงานต่อต้านนั้นนี่ก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะได้ภาวนามากขึ้นนะท่านโยมทุกคนก็ให้ตั้งใจนักบางทีไม่ได้อยู่ที่วัดเป็นประจําก็เราก็สามารถอธิษฐานจิตนะทําอยู่ในที่บ้านที่ทํางานที่ไหนๆก็ได้นนะให้เราอธิษฐานเอานะก็ขอให้ความอธิษฐานของเราเน้นนั้นนะทานโะยเป็นไปเพื่อนะ ความจนทุกคน